พูดเรื่องวันอุโบสถซะหน่อยเพราะบางทีเราไปแล้วเราก็ไปร่วมโดยไม่ได้เข้าใจาชัดเจนว่าไปทำอะไรก็อุโบสถเรามักจะหมายถึงตัวโรงอุโบสถที่เรียกกันว่าโบสถ์ที่จริงอันนั้นเป็นคำที่ใช้กันมาในภาษ า, าไทยไม่ได้ถูกต้องอะไรนะัก อุโบสถเรียกสันส้นๆว่าโบสถ์เป็นชื่อของกิจกรรมไม่ใช่ชื่อของสถานที่อันนี้สถานที่ที่ทำกิจกรรมนั้นเนี่ยเลขตเต็มๆว่าโรงอุโบสถเป็นภาษาบาลีว่าอุปสัทธะหรืออุปสถาคนหรือเอาคำว่าอุโบสถหรืออุปสถานเนี่ยไปบวกคำว่าอัคคะ แปลว่าโรงหรืออาคารก็โรงเพราะนั้นต้องพูดเต็มตามบาลีต้องเป็นอุปโสทักคะนะหรืออุปโสทาคารนี่มาภาษาไทยเราก็ใช้เพื่อให้สะดวกลิ้นของเราเราก็เรียกกันว่าอุโบสถพระอุโบสถตัดสั้นๆว่าโบดอันนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องศัพท์ทีนี้กิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถนั้นคืออะไร ก็เป็นคำเก่าแก่ซึ่งมีมาก่อนพุทธกาลในศาสนาที่มีมาแต่เดิมนั้นเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนี่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏว่ามีในศาสนาทั้งในอินเดียและในดินแดนอื่นๆอย่างทางพวกตะวันตกรู้สึกว่าไม่รูวจะ เป็นยังไงมีการติดต่อมีการเผยแพร่กันไปนยังไงน่ยมีประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกการถือศีลอดนะหรือจําศีลการอดอาหารอดมากอดน้อยนะีก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ในบางศาสนาในอย่างศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดยุคหลังมากนะก็มีการถือศีลอดอดอาหารเนี่ย นานเป็นเดือนเลยแล้วก็อดตลอดตั้งแต่พระาทิตย์นขึ้นจนพระอาทิตย์ตกอดจนกระทั่งว่าไม่กลืนแม้แต่น้าลายในช่วงเดือนนั้นที่เรียกเรียกเป็นภาษาไทยว่าเดือนรอมดอ น, นี่ในาศาสนาอื่นก็มีการถือศีลอดเป็นเรื่องของสาระสาคัญก็คือการอดอาหารซึ่งอาจจะไม่ได้ อดมากเป็นทั้งวันอย่างนั้นอย่างในพุทธศาสนาของเรานี่พระของเราก็ฉันอาหารในเวลาเช้าถึงเที่ยงอันนี้สำหรับพระภิกษุก็เป็นเรื่องธรรมดานี้สำหรับชาวบ้านก็มีการถืออย่างนี้แต่เป็นการถือพิเศษในเฉพาะบางวั น, น, นก็คือถือในวัน ขึ้นแปดค่าแรมแปดค่าแล้วก็ขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็แรมสิบห้าค่ำในกรณีที่เดือนเต็มหรือแรมสิบห้าสิบสี่ค่ำในกรณีเดือนขาดมีการถืออดอาหาราเฉพาะแค่หลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมก็อยู่ในหลักการที่เป็นการอดอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถือหนักหนาถึงขนาดอดทั้งวันในใน และที่ศาสนาทั่วๆไปเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องเหล่านี้อุโบสถของเรามีเรื่องของการถือเรื่องอดอาหารหรืองดเว้นอาหารอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์กับประเพณีแต่เก่าก่อนในศาสนาแต่โบราณก็ได้เวลาฝรั่งแปลคำว่าอุโบสถของเราเนี่ยก็แปลว่า f าส t i n g แปลว่าการอดอาหาร เพราะเขาก็เอาไปสัมพั์กันโยงกันก็ตามที่พูดมานี้ก็เห็นว่าคำว่าอุโบสถเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับประเพณีในาศาสนาเก่าๆเรื่องของการอดอาหารแต่ตัวอุโบสถเองนี่แปลว่าการอยู่จำหรือเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ก็อุปะแล้วก็วถัถแปลว่าเข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่ก็อย่างที่เราแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าใช่มหเข้าไปอยู่ในวัดไปอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งก็เรียกกันว่าจำศีลจำอะไรต่างๆตอนนี้ใช่ถือข้อปฏิบัติในทางศาสนาทีนี้ในตอนต้นพุทธกาลเมื่อพพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆตั้งคณะสงฆ์พระไปประกาศพระศาสนาตอนแรกก็ เป็นระยะที่พระต้องออกไปสั่งสอนประชาชนขยายไปเรื่อยๆกิจกรรมต่างๆก็ค่อยๆเริ่มมีไม่ได้ลงตัวครบถ้วนอั น, นี้ในระยะแรกๆ ก, ก็มีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาถึงเหตุที่จะทำให้มีการบัญญัติถึงอุโบสถว่านิ่นีเท่าที่ผมจำได้นะะว่าตอนแรกๆเนี่ยในวัน ที่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้นแปดคำแรมแปดคำขึ้นสิบห้าคำแรมสิบห้าหรือแรมสิบสี่คำนักบวชในศาสนาอื่นๆเขาก็มีการมาประชุมกันแล้วก็พูดธรรมะพูดแสดงกล่าวคำสอนให้คนชาวบ้านหรือศาสนิกของเขาฟังเดีนี้ ทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็ยังไม่มีกิจกรรมนี้นะเพราะว่าก็คงยังมีต่การเทศแสดงธรรมไปเรื่อยๆไม่ได้จัดในวันเฉพาะอย่างนี้อันนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอุบาสกเลื่อมใสในพุทธศาสนามากพระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปดําริว่าเอานี่ท่าในหมู่พระสงฆ์ของเราในพุทธศาสนานี่ มีการมาประชุมกันแล้วก็มากล่าวสัทนาทำแสดงธรรมให้ประชาชนชาวบ้านฟังคงจะดีอยูน่นะก็เลยมาเสนอกราบทูลเสนอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยก็เลยจัดประชุมพระสงฆ์ว่าในวันที่ว่าเนี่ยนะวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำขึ้นสิบห้าคำแรมสิบห้าหรือสิบี่ค่ำเนี่ย ให้พระประชุมกันอันนี้ตอนนี้ไม่ได้ตรัสกําชับไว้มั่นเหมาะในเรื่องแสดงธรรมปรากฏว่าพระนี่ก็คงมีหลายแห่งหลายยอมอยู่กันที่ต่งตางๆหลายแห่งนี่ท่านมาประชุมกันจริงแต่ว่าท่านก็มา น, นั่งเฉยๆไม่ได้ทํากิจกรรมในแง่การแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน ให้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาคนเขาก็เลยเอาไปติเตียนพระในพุทธศาสนาแต่มันถึงวันนี้ก็มานั่งประชุมกันอยู่เฉยๆไม่พูดไปจาวนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัดเติมบัญญัติว่าให้แสดงธรรมแก่ประชาชนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ก็เท่ากับว่าวานุโบสถ ในพุทธศาสนาได้เกิดมีขึ้นแล้วเนี่ยการอุโบสถนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเนี่ยนะกิจกรรมก็คือการที่มาประชุมกันแล้วก็มีการแสดงธรรมแต่ว่าเราจะเห็นต่อมาว่าความหมายไม่ได้จำกัดแค่นี้สำหรับชาวบ้านนั้นก็เป็นโอกาสที่จะมาอยู่มาวัดกันเป็นพิเศษในวันนั้น แล้วมาเป็นพิเศษแล้วมาฟังธรรมมาอยู่ใกล้พระภิกษุ mm. ก็จะถือข้อปฏิบัติเป็นพิเศษนะ mm. นะนั่นก็จะพัฒนาออกมาเป็นว่าตัวอุโบสถเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องตัวศีลคือสิกขาบทนั่นเองเราเคยพูดกันแล้วว่าคำว่าศีลนี่เป็นเรื่องของคุณสมบัติในตัวคนตัวข้อปฏิบัตินะั้นเรียกว่าสิกขาบทอันนี้ก็ในวันอุโบสถเนี่ย ที่มาประชุมกันเนี่ยชาวบ้านก็มาร่วมด้วยเลยก็เลยเป็นเหตุให้มาอยู่ที่วัดนานๆก็เลยถือข้อปฏิบัติพิเศษข้อปฏิบัติพิเศษนั้นก็เลยขยายจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเราก็เรียกศีลนอสิกขาบทที่รักษาในวันอุโบสถนี้เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าศีลอุโบสถ แต่ที่จริงภาษาพระแค่ว่าถืออุโบสถเทนั้นก็หมายถึงว่าการถือข้อปฏิบัติหรือสิกขาบทแปดข้อนี้เลยอันนี้ก็เลยมีถึงการ น, นอนค้างที่วัดกันเลยนะจะไม่นอนค้างวัดก็ได้ก็ไปถือที่บ้านก็นได้นะแต่รวมความก็คือในวันอุโบสถเนี่ยก็ถืออุโบสถรักษาอุโบสถก็คือว่าปฏิบัติตามสิกขาบทแปดข้อนี่นะเป็นการปฏิบัติพิเศษ ่ว่าในวันพิเศษแล้วก็ถือข้อปฏิบัติให้เป็นพิเศษศิกขาบท8ข้อที่เราเรียกกันว่าศีล8ซึ่งเป็นตัวบทสดนี่ก็มี 1. ปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาประธาสมาธิยามิก็คือเว้นจากปานาติบาตทำลายชีวิต 2. ก็เว้นอธินนาทานการถือของที่เขาไม่ได้ให้ 3. ก็เปลี่ยนข้อกาเมสุมิชาจารในศีลห้ามาเป็นอพลมจริยาเวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ต้องถือพรหมจรรย์ไม่ร่วมประเวณีนในวันนั้นแล้วก็เว้นจากมุสาวาสเว้นจากสุราเมรัยนี่ก็หข้อเปลี่ยนข้อสเป็นอพรรมจริยาไปแล้วแล้วต่อไปก็เติมข้อ6วิการละโภชนาเวลมณีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการหลังจากเที่ยงไปแล้วก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าเดิมนี่จะหมายถึง หลังค่ําไปหรือเปล่านะว่าวิการเพราะคําวิการเนี่ยตามศัพท์แปลว่าแค่ผิดเวลา <Yeah. S 1> ผิดเวลานี่หมายถึงยังไงได้บางสิกขาบทหมายถึงหลังเที่ยงบางสิกขาบทหมายถึงพระอาทิตตกดินแล้วนี่ก็มีการมาวิจยัยกันว่าเอ๊สาหรับข้อ น, นี้สําหรับกระสือหัดในแต่เดิมจะหมายถึงหลังค่ําไปแล้วหลังพราทิตตกดินหรือเปล่านะ แต่เอากำว่าเป็นปัจจุบันก็ถือยุติว่าหลังเที่ยงแล้วต่อไปก็เว้นนัจคีตวาทิตตวิสุกทัศนามาราคันฑวิเลกันะธารณะมานนาวิภูสันตฐาน า, นน า, นาก็เว้นจากเรื่องของการฟอนลำขับร้องดูการแ ล, ล่นแลวก็เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมการประดับตกแต่งร่างกายแลวก็ ไปสุดท้ายก็เว้นจากที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่นที่มุ่งเรื่องความหรูหรานอนสบายเอาความนุ่มความมีฟูฟูยัดนะทำให้นอนเกิดสัมผัสที่มีความสุขนะอันนี้ก็เว้นจากเหี๋นะี้นแปดข้ออันนี้สาหรับชาวบ้านก็ให้ถืออันนี้เป็นหลัก แล้ว ก, กิจกรรมในการฟังธรรมก็ร่วมมาด้วยแล้วก็จะได้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองมีเวลาในการที่จ ะ, จะเจริญจิตภาวนามากขึ้นเพราะไม่ยุ่งกับเรื่องอาหารไม่ยุ่งกับเรื่องพร่ลําขับร้องอะไรั้งแล้วโอกาสมันก็เอื้อในการที่จะปฏิบัติฝึกฝนทางจิตใจจะทาสมาธิกรรมฐานก็ง่ายขึ้นนะแล้วนอกจอากนั้นก็พัฒนามาเรื่องของวันนั้นก็ ทำทานเป็นพิเศษด้วยมาวัดแล้วก็มาเลี้ยงดูพระสงฆ์ถวายพระตาหารถึงกับว่ามีการทําบุญเลี้ยงพระนะกันเป็นพิเศษในเมืองไทยแล้วก็จะเห็นชัดเจนก็เลยกลายไปว่าวันอุโบสถเรียกเรียกปัจจุบนันว่าวันพระเนี่ยมีทั้งเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ ภาวนาน h i s ก็รวมทั้งเรื่องของการฟังธรรมด้วยเพราะเป็นการเจริญปัญญาก็เป็นภาวนาถ้าโดยทั่วไปก็มุ่งเอาที่การเจริญจิตภาวนาคือการทำสมาธินี่ก็เป็นเรื่องของกุลหัตที่เป็นประเพณีสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนะโบสถ์นี้ก็ อาจจะถือเพิ่มกว่า น, นี้อีกก็ยังได้นะอันนั้นเป็นรายละเอียดก็จะไม่พูดในที่นี้ทีนี้กล่าวถึงเรื่องอุโบสถฝ่ายพระเนื่องพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ประชุมกันและก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านในวันที่ว่าเมื่อกี้แล้วนะทีนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดำริว่าเอ ในวันที่ว่านเนี่ยถ้าหากว่าจะให้พระภิกษุทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันเนี่ยได้นำเอาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยมาสวดมาทบทวนกันมาซักซ้อมกันก็จะเป็นการดีก็เลยทรงบัญญัติขึ้นมาให้สวดปาติโมก ในวันที่เรียกว่าวันอุโบสถนี้เรียกว่าเป็นการทำอุโบสถของพระภิกษุหรือพระภิกษุสงฆ์และตลอดไปถึงภิกษุณีสงฆ์ด้วยเอาทีนี้ก็กลายเป็นว่าการทำอุโบสถของพระกับของชาวบ้านต่างกันลชาวบ้านก็อย่างที่ว่ามาฟังทำมารักษาศีลแปดอะไรเงี้ยแล้วตลอดจนบำเพ็ญทานอะไรก็ว่าไปแต่ของพระนี่ทำอุโบสถหมายถึงเอาศิกขาบท ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือสำหรับภิกษุณีสงฆ์เนี่ยเอามาทบทวนซักซ้อมกั น, นาการเอาสิกขาบทมาสวดมาทบทวนก็เลยถือเป็นสังฆกรรมเป็นกิจกรรมของสงฆ์ของที่ประชุมของส่วนรวมจะทำได้ก็โดยมีพระภิกษุประชุมตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปน จะเรียกว่าเป็นสงกําหนดอย่างต่ำองค์ประชุมอย่างน้อยสี่รูกนว่าข้อบัญญัตินี้ก็คือสงที่อยู่ในสีมาในเขตเดียวกันเนี่ยถึงวันเนี้ยจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มาสวดปาฏิโมกข์นี้วันที่ใช้ก็ตัดไม่เอาขึ้นแปดข้ามสิบไม่ขึ้นขึ้นแปดข้ามแปดข้ามไม่เอาเอาเฉพาะขึ้นสิบห้าข้า แรมิบห้าหรือแหลสิบสี่คำนะเอาแค่นี้นี่เป็นอุโบสถสําหรับพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าธรรมอุโบสถนะเมื่อเป็นสังฆกรรมก็ต้องมีกําหนดอย่างที่ว่าว่าที่ประชุมสงฆ์มีองค์เท่าไหร่ก็สี่องค์แล้วก็พระในเขตไหนจะมาประชุมกันก็ต้องมีเขตเขตนี่เรียกว่าสีมานะเดิมก็คือกําหนดเขตที่พระ ที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหนึ่งๆนะทั้งหมดพระที่อยู่ในชุมชนนี้ซึ่งมีเขตเดือนที่กําหนดตามพระวินัยที่เรียกว่าสีมาเนะี่ยเมื่อถึงวันที่กําหนดครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยขึ้น15บห้าข้ามแลมสิแลมสิ่ข้ามจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มาสวดสิกขาบท227ข้อก็เลยต้องมีบัญญัติเรื่องเขตเรื่องสีมากําหนด นะเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอ๋อพระที่อยู่ในเขตนี้นะ่ะมาประชุมกันเจตนาลมก็มุ่งให้พระทั้งหมดที่เป็นชุมชนเดียวกันนะอยู่ในเขตเดียวกันชุมชนเดียวกันก็หมายความหาทางกำหนดเขตแล้วก็เมื่ออยู่ในเขตนี้ต้องมาประชุมพร้อมกันต่อมานี่เรื่องของการกำหนดเขตนี้ไปไปม า, มานี่เอาสะดวกเขาจะเหลือแค่ตัวโรง ที่ใช้สวดแต่เดิมเนี่ยตามเจตนาลมแสดงว่าต้องหมายเขต ท, ทั้งหมดเขต ท, ที่พระอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนหนึ่งก็คือวัดหนึ่งนั่นเองวัดหนึ่งก็มีเขตของตัวเองอันนี้เป็นอนุตตตอนหลังนี่ก็มีการทำโรงอุโบสถพระพุทธเจ้ า, จาก็ ทรงอนุญาตให้สร้างโรงอุโบสถขึ้นมาเรียกว่าอุโปสถักคะหรืออุโปสถ า, านาคารเพื่อจะใช้ใช้เป็นที่ประชุมพระที่อยู่ในเขตนี้ก็มาประชุมกันในโรงอุโบสถเนี่ยโรงอุโบสถนี้ก็คือหอประชุมเป็นเพียงที่ประชุมนะเดิมนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะมีเขตเฉพาะแค่ตัวโรงอุโบสถโรงอุโบสถก็คืออยู่ในเขตใหญ่นะเป็นหอประชุมเพราะว่า จะไปประชุมกันที่ไหนละพระทั้งวัดเนี่ยมันก็ต้องมีจุดกําหนดแล้วก็ที่ประชุมนั้นถ้าไม่มีหลังคาไม่มีอาคารก็จะเป็นอันตรายฝนตกแดดออกนันไม่สะดวกใช่ไหมแล้วไม่มีสัตว์มีส่วนก็ทําให้ต้องมีโรงอุโบสถเป็นที่ประชุมขึ้นมาต่อมาก็มีการที่ว่าผูกสีมาเฉพาะตัวโรงอุโบสถเลยเนี่ยกลายไปว่า อา้าวใครจะมาเข้าที่ประชุมก็เอาถือแค่ว่าอยู่พร้อมในเขตของโรงอุโบสถแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องไปคํานึงถึงพระนองนี่เนีเพราะพระเพราะว่าตามพระวินัยนั้นพระที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าสีมาทุกองค์ต้องมาประชุมถ้าผู้อยู่ในเขตสีมาไม่เข้าที่ประชุมน่ยไม่อยู่ในหัตถบาทไม่มานั่งประชุมเข้าที่กําหนดการประชุมนั้นเป็นโมฆะใช่ไหม อันี้มามากำหนดเขตเฉพาะโรงอุโบสถก็เลยไม่ต้องไปคำนึงถึงพระที่อยู่นอกโรงอูโบสถแหละจ ะ, จะอยู่ไงจะมีใครอีกก็ช่างเอาแค่ว่าอยู่ในเขตโรงอุโบสถเนี่ยมันนั่งในหัตถบาตในที่ประชุมอที่ว่าอยู่ร่วมกันพร้อมแล้วก็ใช้ได้เลยกําหนดเอาแค่นี้นี่จะเรียกว่าเป็นความที่ว่าย่อนลงก็ได้เนี่ย ทำให้สะดวกขึ้นแต่ก็ทำให้เจตนารมนี้ลดหย่อนลงไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้เรือตัวการสวดเองก็บอกแล้วว่าเป็นสังฆ ก, กรรมเจตนารมเพื่อให้พระได้มาทบทวนซักซ้อมพระวินัยที่มีเป็นข้อยอ่อยๆคือสิกขาบทต่างๆ227ข้อท่านผู้ใด ไม่ได้ปฏิบัติตามสง์ก็อาจจะได้พิจารณาลงโทษนะก็เป็นการทบทวนตรวจสอบตนเองเขาแต่ละองค์ด้วยแล้วที่ประชุมก็ตรวจสอบกันด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยรักษาพระศาสนาช่วยรักษาสง์ให้มั่นคงอยู่เพราะว่าสิกขาบทสองยนั้นเป็นหลักพื้นฐานในการที่จะคุมให้สงตั้งอยู่ได้นะเพราะว่าเมื่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสงนี้ มีสีเสมอกันคือปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดำรงอยู่ในสังคมแต่ละสังคมนี้ต้องมีกฎมีเกณฑ์และทุกคนต้องเสมอหน้ากันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนีอันนี้ก็เป็นหลักที่มีมาในพระวินัยก็ถ้าพระรักษาสีเสมอกัน ตามที่พระพุทธจา้าบัญญัติไว้ทั้ง227ข้อก็จะเป็นพื้นฐานให้สงดำลงอยู่แล้วก็เมื่อสงดำลงอยู่การทํากิจหน้าที่ต่างๆก็ดําเนินไปได้ดีเพราะวินยนะันยในบัญญัติไว้เพื่อสร้างสภาพเอื้อในการที่จะปฏิบัติกิจการในพุทธศาสนาในการบำเพ็ญไตรสิกขาเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเองถ้าหากว่า227ข้อในมันบกพร่องไปมากๆแล้วก็ สภาพของการเป็นชุมชนสงฆ์ในพุทธศาสนาก็จะค่อยๆหมดไปนทีนี้เมื่อเข้ามาที่ประชุมอย่างนี้เดิมก็เป็นอันว่าเจตนารมณ์เนี่ยแสดงว่าผู้ที่มาเข้าที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าสิขาพบสองรยบ็ดมีอะไรก็มาสวดนี่เป็นการซักซ้อมกันทวนกันมานยุคหลังมาในเมืองไทยเราถึงวันสวดเราก็เลยสวดสวดกันเป็นภาษาบาลีบางที พระที่เข้าสวดนั้นการศึกษาก็ไม่ค่อยมีก็ไม่รู้ฟังก็ไม่ออกเป็นแตเ่เพียงภาษาบาลีเท่านั้นเองก็เลยทำการสักแต่ว่าเป็นพิธีสังฆกรรมก็เลยกลายเป็นเพียงพิธีกรรมซึ่งจะได้เห็นว่าสังฆกรรมมากมายในพุทธศาสนาอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยได้กลายเป็นเพียงพิธีกรรมใช่ฮะสังฆกรรมหมายถึงกิ จ, จกรรมของหมู่ของสงของส่วนรวมซึ่งจะต้องร่วมกันทา ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีความรับผิดชอบนะแต่บัดนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมศนะักแต่ ว, ว่าเอามาประชุมประชุมกันนั่งแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องก็ผ่านผ่านไปนะอันนี้ก็ในเมื่อเป็นพิธีกรรมแล้วแสดงว่าเสื่อมนะอา้าวถ้ามองไปในแง่เสื่อมก็เสื่อมละแต่ก็มองในแง่หนึ่งก็ยังดีที่รักษารูปแบบไว้ได้ เพเคยพูดไปแล้วเนี่ยรูปแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหมือนแก้วน้ำนะที่จะรักษาน้ําไว้ได้ถ้าไม่มีแก้วน้ําน้ําก็ไม่อยู่แต่ว่าที่จริงนั้นจะต้องให้มีแก้วที่มีน้ําด้วยในกรณีที่มีแก้วไม่มีน้ำนะ ก็ยังดีกว hmm. ่าไม่มีทั้งแก้วไม่มีทั yeah, so ้งน้ำก็ยังมีแก้วไว้อย่างนึงเพื่อมีโอกาสก็ยังจะได้ไปหาน้ำมาใส่ใช่ทีนี้ว่าในพระพุทธศาสนาของเราในเมืองไทยเนี่ยอะไรแต่อะไรมันเหลือรูปแบบเยอะเหลือเป็นพิธีกรรมไปซึ่งพิธีกรรมเองก็เรื่อนความหมายเดิมพิธีกรรมก็บอกแล้วว่าหมายถึงการกระทาที่เป็นวิธีการเพื่อจะให้ได้เกิดผลที่ต้องการ แต่เดี๋ยวนี้มันเหลือความหมายที่ว่าคำว่าพิธีเองมันก็เลือนแล้วพอได้พูดกับศักแต่ว่าเป็นพิธีมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรนะเพนเปียงรูปแบบ่ น, นั้นนึงศัก์แต่ว่าทําไปตามที่สืบสืบกันมาอันนี้รูปแบบที่ว่านี่มีความสําคัญในแง่ของกิจกรรมนะขั้นตอนแล้วก็ตัวบทที่เอามาสวดที่ว่าเป็นภาษาบาลีนี้ ก็อาจจะมีข้อถกเถียงว่าเออก็อย่างนี้ถ้าพระฟังสวดเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเราก็แปลเป็นไทยเอามาสวดเป็นไทยไม่ดีหรือนะอก็อาจจะดีเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าภาษาไทยนี่เสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าคำภาษาบาลีตัวบทเดิมเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมีโอกาสคลาดเคลื่อน คำแปลนั้นไม่สามารถจะรักษาเนื้อความให้เต็มตามเดิมได้ไม่ว่าการแปลใดทั้งสิน้นใช่ไหมอนี้ถ้าไปหลายคนแปลหลายแห่งแปลต่างคนต่างแปลต่อไปไม่รู้ว่าคำเดิมคืออะไรและใครถูกใครผิดเกิดมีการถกเถียงกันยุ่งเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทของเราเนี่ยถือนักต้องรักษาตัวบทเดิมไว้ให้ได้ จะแปลก็แปลไปแต่ต้องรักษาตัวเดิมไวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้แปลน่าจะเป็นว่าตัวบาลีเดิมก็ต้องรักษาไว้ด้วยพร้อมทั้งสวดแปลด้วยพระก็คงไม่ค่อยอาอยู่แหละเพราะขนาดสวดบาลีอย่างเดียวนี่ว่าเข้าไปตั้ง4ี่สิบนาทีบางองค์สวดต้งเกือบชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยหาองค์ที่สวดสสินาทีนี่แทบไม่ได้เลยสี่สิบนาทีนี่นับว่าไหวแล้วนะ กาสวดสวดสาสิบนาทีนี้แทบฟังไม่รู้เรื่องเลยขนาดสี่สิบนาทีบางองค์งสวดฟังไม่รู้เรื่องแค่นี้ถ้าสวดบาลีสี่สิบนาทีถ้าขืนแปลอีกก็เข้าไปเป็นไทยจะยิ่งยาวกว่าอีกดีไม่ดีก็อีกชั่วโมงกว่ารวมเป็นสองชั่วโมงนะแต่ที่จริงถ้าทําได้ก็ดีแต่ว่าถ้าตัดบาลีนี้ไม่ควรก็เหมือนกับว่า ผู้ที่เข้าที่ประชุมเนี่ยควรจะมีการศึกษาได้รู้เข้าใจแล้วตัวสิกขาบทบาลีว่ายังไงนะีแล้วแปลเป็นไทยเนื้อหาว่างไงเข้าใจแล้วพอไปถึงวันนั้นก็ไปร่วมประชุมกันก็พยายามรักษาตัวบทไว้ได้รักษาให้แม่นยําที่สุดคือการรักษาของเดิมไว้นะีแล้วก็แปลกันก็แปลเพื่อศึกษาเพื่อเล่าเรียนให้เข้าใจไม่ใช่เอาแปลเอาไม่ใช่เอาคําแปลมาเป็นตัวบทมาเป็นตัวหลัก ต้องเอาตัวบทเดิมเป็นหลักแล้วตัวแปลเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาเล่าเรียนกันเอเมื่อรักษาตัวบทไว้ ไ, ได้ต่อไปเราก็พัฒนาพระเนี่ยที่บวชเข้ามาแล้วเมื่อได้เราเรียนศึกษาต่อไปก็ให้มีการศึกษาให้รู้เข้าใจซะเพราะเวลาเนี้ยพระบวชเข้ามาใน จังหวัดต่างๆเนี่ยบวชมาแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยเนี่ยเยอะเหลือเกินนะนะถ้าเราจะพัฒนาก็พัฒนาย้อนกลับดีกว่าคือพัฒนาพระที่บวชเข้ามาเนี่ยให้เรียนรู้เข้าใจแล้วมาฟังถึงวันมาฟังก็ฟังด้วยความรู้เข้าใจไม่ใช่ไปผ่อนตามพระที่ไม่มีการศึกษาใช่ไหมต่อไปก็เลยผ่อนตามด้วยไปต่อไปก็เออ สวดหมดก็มันก็ไม่จำเป็นแล้วนะสวดแค่เอาแค่ตัดแค่นี้ก็พอแล้วนะอะไรเงี้ยต่อไปก็หย่อนเลยถ้าลงหย่อนแล้วหย่อนเลยดีเหมือนกับพระมหายานใช่ไหมก็เลยต่อไปหาของเดิมไม่ได้อย่างมหายานปัจจุบันเนี้ย<อ>คำพีเดิม<อ>แม้แต่ที่เป็นภาษาสันสกฤตหาไม่ได้แทบจะคำภีร์เดียวนะเหลือแต่เป็นภาษาที่แปลปไปแล้วเป็นภาษาจีนภาษาที่เบ็ ดังนั้นก็ยากที่จะรู้ว่าตัวเดิมเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าสายเทรวาทของเราีนรักษาของเดิมไว้ให้บริสุทธิ์ที่สุดถือเป็นกองสาคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาถึงปัจจุบันในเมื่อสภาพเป็นเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาซึ่งความเสื่อมที่สาคัญก็คือความเสื่อมในการ ศึกษาหมายถึงด้านเริ่มแต่ปริยัติการเล่าเรียนตัวพุทธพจน์ ธ, ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้และมันก็เลยมาเสื่อมในการศึกษาที่เรียกว่าเป็นตัวจริงคือการปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะเมื่อไม่มีปริยัติรองรับการปฏิบัติก็คลาดเคลื่อนได้อันนี้ก็เมื่อเสื่อมอย่างนี้แล้วก็ไปลว่าเราก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยรักษารูปแบบไว้ได้ก็ยังดี เพราะรูปแบบอย่างหยุดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะฟื้นกลับใช่ไหถ้าหากวันไม่มีเหลือรูปแบบการประชุมในวันอุโบสถไม่มีเหลือการสวดไม่มีเหลือตัวบทไม่มีเหลื อ, ลอทางนี้จะฟื้นยังไงใช่ไหมไม่มีทางเลยหมดเลยแม้แต่ว่ากิจกรรมในการประชุมหมดไปแล้วเนี่ยต่อไปจะมาเรียกกลับให้มีประชุมอีกมันไม่มีเครื่องที่จะมาดึงมันเหนียวมาควบคุมบังคับทายากใช่ไหม อันนั้นประเพณีอย่างนี้ก็ช่วยรักษาไว้รักษารูปแบบไว้ได้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะฟื้นอย่างน้อยพระที่มีความเอาใจใส่ก็จะได้มาพูดจาทําความเข้าใจกันในหมู่ที่ท่านมีความเห็นความสําคัญของหลักการนี้เหมือ น, นอย่างที่เรามาพยายามทําความเข้าใจกันอยู่ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสังคกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าได้เหลือแค่เป็นพิธีกรรมนะแต่ก็อย่างที่ว่าการปฏิบัติให้ถูกในเรื่องนี้ก็คือว่าเราถือว่าแม้จะเหลือรูปแบบก็ยังดีที่มันยังเหลืออยู่เราก็เป็นโอกาสให้ฟื้นเนื้อหาขึ้นมาแล้วถ้ามีโอกาสก็ฟื้นให้มันครบให้รูปแบบนั้นมีเนื้อหาอยู่ด้วย แล้วมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ต่อไปนะก็คิดว่าคุยกันพอได้ความนะมีอะไรสงสัยก็มาถามกันนะครับท่านครับทีนี้ทุกวัดนี่ผมเข้าใจว่าคืคอพระจะห้องพระปฏมกขไปไทั้งหมดใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดกนะมีต้องพิธีก็เขีแต่มามด้วยเดี๋ยวนี้กําหนดเอาแต่โลงอุโบสถเป็นหลัก ตว่าแม้พระคันธุกะไปก็ถือเป็นพระคันธุกะก็เข้าเขตแล้วก็ต้องเข้ารวมคือหมายความว่าในเวลานั้นอ่ะทุกองค์ที่อยู่ในเขตต้องเข้าที่ประชุมหมดนะถ้าผู้ที่อยู่ในเขตนั้นน่ะไม่มาเข้าที่ประชุมเนี่ยก็แสดงว่าสงไม่พลักพร้อมเมื่อสงไม่พรักพร้อมแล้วการประชุมเป็นโมฆะเลยนะฮะสังฆกรรมถืออย่างนี้เลยถือว่าเอาทวนอีกทีว่า พระภิกษุทุกรูปนะที่มีสิทธิ์ผู้อยู่ในเขตนั้นนะเขตที่เรียกว่าสีมาเมื่อถึงเวลาประชุมนี้ต้องมาเข้าที่ประชุมทั้งหมดที่เขาเรียกว่านั่งในหัตถบาทในเขตที่มือถึงเนี่ยนะถ้ามีองนค์ใดองค์หนึ่งไม่เข้าที่ประชุมนี้แต่อยู่ในเขตใช่ไหมถือว่าสังฆกรรมนั้นผิดหลักผิดวินยัย ไม่พร้อมเปลี่ยงไม่ครบนที่ประชุมนั้นไม่ไม่พร้อมเปลี่ยงเมื่อที่ประชุมไม่พร้อมเปลี่ยงก็ทําให้สังกกรรมนั้นเป็นโมฆะเลยนะที่ก็สร้างโบสการแล้วมระดี๋ยวว่ามีใครไปยืนอกทิ้งเอาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็สร้างแค่เพราะลงอุโบสถเนี่ยสีมาอยู่แค่นั้นเวลาดูก็ดูว่าทุกองค์ที่มาอยู่ในโบสถ์เนี่ยเข้าที่ประชุมหรื อ, อยังก็ยิ่งง่ายใหญ่เดี๋ยวนี้เอาก็แค่นั้น ที่พูดเมื่อกี้เข้าใจไหมตอนแรกเนี่ยศีมา ห, หมายถึงทั้งวัดใช่ไหมและหลงอุโบสถก็เป็นเพียงที่ประชุมจะตั้งอยู่แค้นกงไหนก็ได้ในเขตนีก็เวลาจะประชุมทีมก็ต้องดูว่าทุกองค์ในเขตเนี่ยมาเข้าที่ประชุมหรือยังอย่างศีมาใหญ่ที่ <c oughs> ทั้งวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมียังวัดราชบาพิตรเป็นตัวอย่างพอถึงวันอุโบสถนี่จะต้องมีโยมมาคอยดู เฝ้าทางเข้าวัดเลยเพราะถ้ามีพระองค์หนึ่งเข้าไปเขตปั๊บเนี่กรรมเสียเลยสัง ก, ก็กรรมไปโมฆะเลยไหนพอปิดประตูแล้วก็นั่นแหละก็ต้องมีคนเฝ้าเขาก็กลัวเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมา<อ>ใช่อันนั้นก็มีวัดอยู่บ้างที่ยังมีอุโบสถเป็นสีมาทั้งวัดนะ สีมาใหญ่เรียกว่ามหาสีมาพระรัช บ, บพิทธิ์เป็นตัวอย่างันนในวัดทั่วไปก็ใช้แค่โรงอุโบสถผูกสีมาแค่นั้นนะวันนั้นก็เวลาประชุมสังฆกรรมสังฆกรรมก็ดูแค่ในโรงในสีมาในโรงอุโบสถพระนอกอย่างนั้นไม่เกี่ยวจะมาจะไปก็เรื่องของท่านแม้แต่อยู่ในวัดนั่นเองก็ไม่เข้าก็ไม่ว่านะ นี่อย่างอย่างจอมโบนะฮะอยากแตะกลับเลยเพ่อได้รู้ใจแล้วทำไมมีบรรชาสีมาสองครั้งอเข้าโบท้อมีอันนื้ก็เข้าไปในโบต้องมีบรราสีมาครั้งแล้วในตัวโบตเองภายในตัวโมเสนเองก็มีสีมาด้วยนะอ๋อหน้านหน้าโบตนะฮะก็มีบรราสีมาไปแล้วครั้งแล้วพอเข้าไปถึงข้างหลังพระนะครับติดตงระเจ้ารก็จะรูปน่ก็ไปทำบรรชาสีมาครัอันีแสดงว่าในตัวโบทเองภายในโมเสเองเนี่ย ายายยอูไ่ไม่ใช่อ่ะสีมาก็มีเขตอันเดียวแหละแต่ว่ามันมีลูกนิมิตลูกนิมิตหมายความเครื่องหมายเป็นก้อนหินเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายของเขตทีนี้การที่ว่าวันทาสีมานี่ก็เป็นเรื่องประเพณีความจริงนั่นเดิมไม่มีหรอกนะในสมัยพุทธกาลไม่มีการไปวันทาสีมาเพราะว่าสีมาเป็นเพียงเครื่องหมาย ถ้าเป็นเพียงเขตและนิมิตก็เป็นเครื่องหมายบอกเขตนั่นคําว่าสีมาเราจะต้องไปไหวทาไมอะ่ะแค่สีมาก็เขตเท่า น, นั้นเองเข่าใจ ไ, ไมฮะแต่ทีนี้มันเป็นประเพณีให้ใครว่าให้ความเคารพให้ความเคารพแก่สถานที่อย่างที่ว่านะีก็เลยไหวไหวเมื่อจะเข้าเขตสีมาก็ไหวเคารพแล้วเมื่อเข้าไปในเขตตก็ไหวแสดงความเคารพในเขตอีกเข้าใจไหม ทีนี้การผูกสีมามีลูกนิมิตนี่ที่จริงนั้นไอตัวนิมิตก็อยู่ที่เขตนั่นแหละเป็นเครื่องหมายเขตมาเป็นประเพณียังมีลูกกลางอีกใช่ไหมลูกกลางกลางโบดอีกเนี่ยก็เลยถือลูกนิมิตกลางโบดบางทีถือเป็นสำคัญซะดยสำหรับชาวบา้านเนี่ยจำนำลูกนิมิไปเก็บไ ว, ว้เพื่อจไปถี่ลูกขี่ลูกล ก, ก็มีอย่างน้อยมีอย่างน้อย เพราะว่าถ้าไม่ครบอย่างน้อยมันก็บอกเกตไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็เข้าใจว่าสี่หรือเท่าไรผมจาไม่ได้เลยนะเนจําได้ไหมกี่รูปอย่างน้อยลืมแล้วปนะแปดนะแปดรูปก้าวนั้นไม่ได้สําคัญอะไรแปดแปดรูปถูกแต่ว่าเขายอมเก้า แปดเกา้านะหมายถึงว่าเป็นลูกพิเศษอออเอาแต่วินยัยอ่าก็แปลว่าแปดลูกลุงๆยังแม่นวินัยอยู่อ่ามาเป็นทางขวามาเป็นมาขายังวัดที่เมกานั้นท่านกหนดเอาเป็นเขตหมู่บ้านเลยสมมติว่าไม่มีไม่มีสมาไม่มีบวชมันมีาดกหนดมาอ้าวก็นั่นจะอภิษฎสีมาไงละ่ะอันนั้น ก็สียสีนั่นแหละคือว่าคือเพราะท่านยังไม่ได้ผูกท่านก็เลยต้องกำหนดเอาอย่างนั้นแต่ทีนี้เพราะเป็นประเทศที่หาพระได้ยากก็เลยมั่นใจว่าในเขตนั้นน่ะคงไม่มีพระอื่นเข้ามาตลอดเวลาที่เรากำลังทำสังคกรรมแต่ก่อนนี้อาจจะเอาทั้งเมืองเลยนะเอาซิตี้ออฟนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้เลยนะคือ นี่ทรงรเขาไม่สีมาเนี่ยนะสีมาที่สงตกลงกันกําหนดไว้นี่อย่างหนึ่งสีมาที่สงไม่ได้กําหนดขึ้นแต่ถือเอาตามเขตกําหนดของบ้านเมืองอย่างหนึ่งคือในเมื่อสงยังไม่ได้กําหนดของตนเองก็เลยถือเอาตามที่บ้านเมืองเขามีเขตของเขาคือเขตเขตการปกครองเป็นอําเภอเป็นตําบลเนีย แล้วก็เป็นเมืองก็กำหนดเอาตามบ้านเมืองนั่นเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าอภัตต ส, สีมานี่อภัตตสีมานี่อย่างที่บอกที่ว่าเมื่อกี้พระไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศตอนนั้นก็ยังไม่ได้ผูกสีมาจะผูกก็ยังไม่ได้ไม่มีพระผูดชนานาญและไม่มีจานวนพระสงฆ์ครบยังไม่มี ปัจจัยแวดล้อมเพียงพอที่จะทำการผูกสีมาด้วยได้และยิ่งตามประเพณีไทยยิ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากจะทำกันก็ทำเป็นเรื่องใหญ่โตต้องนิมนต์พระผู้ใหญ่จากประเทศไทยไปก็เลยว่าเออแล้วระหว่างนั้นจะทำยังไงจะมีสังกรรมก็เลยเอาสีมาประเภทที่ว่าถือตามบ้านเมืองไม่ต้องผูกก็มา ตกลงกันในที่ประชุมสงฆ์เฉพาะที่นั่นะ่ะบอกว่าเอานะเรากําหนดตามเขตตำบลเขตอาเภอเขตหมู่บ้านเกิดเมืองนี้นอันนี้ก็อย่างที่ว่าต้องมีความมั่นใจว่าไม่มีพระอื่นเข้ามาหรอกนืตามปกติก็ไม่มีอยู่แล้วนี่นถ้าเกิดบังเอิญมีเข้ามาก็ยุ่งเหมือนกันนีถ้าเข้ามาในเขตสีมาก็ทําให้สังฆกรรมเป็นโมฆะไป ร้อนเล่นามเาป็นกองันก็รมีที่ต่างนิกายนะครับถ้าเกิดจะต้องไปมีโอกาสจะไปทำสังยกรรมร่วมกันไปทน้อเรื่องของการลงบสถพอรอ๋ออันนี้ก็เป็นกรณีอีกอันหนึ่งนะคือว่าเวลานี้ก็พูดกันถือว่าต่างนิกายเป็นนาน า, นาสังวัต ก, นโบโบกนนะันไม่ยอมร่วมโบโบสดกันเมื่อไม่ยอมร่วมโบโบสดกันก็ ก็เลยถือว่าไม่เป็นเหตุให้กรรมเสียถ้าพระทิฏต่างนิกายมาน่ยก็หมายความว่าถือว่าเป็นนอกกลุ่มนอกหมูลใช่ไหมเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เพราะเข้าที่ประชุมไม่ได้อยู่แล้วถ้าเข้าที่ประชุมสิก็ทําให้สังฆกรรมเขาเสียถือว่าไงซื้อกลับกันเลยถือกลับไปว่าถ้าขืนไปเข้าร่วมสังฆกรรมแล้วทําให้สังฆกรรมเขาเสีย แต่ น, นี้ก็มีเรื่องปลิกปิีกย่ อ, อ, อ, อ, อยย่อยอย่างพระเถระธรรมยุทธยุคก่อนนะก็จะมีชวนพระเถระมหานิกายบังองปเป็นข้าร่วมสังฆกรรมด้วยคล้ายๆว่ายอมรับตอนนั้นทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธคล้ายๆถือตัวว่าเป็นผู้ยอดสุดสูงกว่าอันนี้การไปยอมรับพระมหานิกายแต่บางองค์มาข้าร่วมสังฆกรรมได้ อ่าถ้าอย่างนิ้มก็เป็นปัญหาใช่ไห ม, อมเอ๊ทางงามก็อยู่ที่ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดที่จะยอมรับใช่ไก็ยอมรับโดยที่ว่าเห็นว่าท่านผู้นี้มีความประพฤติดีอะไรต่างๆแล้วนี่มีศีลาจารวัดดีอ้าวแล้วก็องค์ที่ท่านไม่เห็นแล้วก็คงมีดีกิ่กเยอะเหมือนกันใช่ไหมนี่แ น, น่ก็คงอย่าถ้าจะเอายกขึ้นมาเป็นข้อพิหนาก็คงจะเป็นปัญหาเหมือนกัน แต่ว่าเอาข้อปฏิบัติที่ทากันมาก็คือว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกันนะตอนก่อนนี้พระธรรมยุทธ์ถือก็ว่าพระมานิกายนี่เป็นเนนเลยนะตอนระยะใหม่ๆนี่ถือกนดุนแรงมากไม่ฉันอาหารด้วยกันนะฉันอาหารก็ไม่ฉันและมีการถือกระดุนแรง มีองค์หนึ่งอยู่วัดเป็นจักเป็นพี่เป็นหมานิกายแล้วองค์น้องไปบวชอยู่วัดอะไรจะเป็นราชาธิวาตรหรือวัดอะไรเป็นธรรมยุทธ์จำไม่ได้และอันนี้องค์พี่เนี่ยก็ไปเยี่ยมองค์น้องเป็นคราบเป็นคราวนะเมื่อไปเยี่ยมไปถึงกุฏิแล้วก็เอาจีวร อ, ออกก็ผ้าสายระเดียง ที่สายที่จะตากผ้านะ่ะนี่พอพาดแล้วนะ่ะเวลากลับก็ห่มกลับไปถือกำแนงมากองค์น้องนี่เป็นธรรมยุทธ์ก็ถือว่าสายระเดียงนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะถือกคขนาดนั้นนะ ตัดเลยสายละเดียงเนี่ยต้องตัดแล้วก็ทำใหม่เพราะนั้นพระพี่ชายมาทีไรกลับไปพระองค์น้องก็ต้องตัดสายละเดียงทุกครั้งไปต่อมาพระองค์พี่ได้ยินข่าวรู้เข้าตอนแรกไม่รู้มาแล้วก็กลับไปใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องทำอย่างงี้ต่อมาได้ยินว่าท่านมาล้พาดจีวรสายละเดียงกลับไปแล้วน้องก็จะตัดสายละเดียงทำใหม่ ท่านก็โกรธใช่ไหมก็เลยมาถึงวันนั้นเอาจีวรเนี่ยมาพาดคอน้องเลยบอกทีนี้กุตัดคอมึงละวนี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยอะไรจะนอน <c oughs> นี่เป็นเรื่องขาๆเนีที่ว่าถือกันรุนแรงในยุคนั้ น, นต่อมาก็ค่อยๆ ค, คลายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไปหมด ถือเป็นอย่างเดียวกันแทบจะไม่มีอะไรต่างกันครนีถ้าเราปร่าจังหวัดเาเจอวันทำอสนะฮะแล้วเราจะทอย่างไ ร, ราจขอไปบได้วัดไหนก็ได้ก็ไปร่วมในนิกายเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นต่างนิกาย <S <S เขาไม่ยอมให้ไปเข้าหรอกเนี่ยแอ<ล>พวกัหานิกายแปลงเขาจะยอมไม่มาไม่มีปัญหามานิกายนกายแปลงไม่แปลงก็ไม่มีปัญหาก็เมื่อยังว่าเป็นจ่าเนี่ย ก็ห่มคล้ายๆกับทางพระธรรมยุทธ์แต่ก็เป็นพระมานิกายคืออย่าสมมติในการรับสินคุณสมบัติของข้รร น, นะครับจำเป็นนหมฮะที่ช่วงเช้าจะต้องไปรับสินจากพระถ้าเกิดเราตั้งใจว่าวันนี้เป็นพระนี่คือสินแปลกได้คือไอ้เรื่องที่ว่าไป รับกับพระนี่เป็นการที่ว่าไปสมาทานกล่าววาจานี่สมาทานในใจตัวเองก็ได้นก็เหมือนก็ให้ท่านเป็นพยานให้เราเก็ถ้าทำเองก็เป็นอธิษฐานอุโบสถตั้งจิตถามว่าถึงวันนั้นก็รู้กันก็ถือศีลนั้นเลยใช่ไหม